Book 2 6ห 68, 68. 68. ใหญ่เล็กกลมมลกลมมลใหญ่และเล็กกลมอีมาล ช้างตัวใหญ่สโลนอตเอโกเลมสโลนเลหนูตัวเล็กอมืดและสว่างเอวีตอ ตอนกลางคืนมืด Нокта темна н о к темна ตอนกลางวันสว่าง Денот светл д е н о светл แก่ชราหนุ่มสาว Стар и млад Стар и млад คุณปู่คุณตาของเราแก่มากนเจ็ดส e e ปีที่แล้วท่านยังหนุ่มดตลาดนุม um um สวยและน่าเกลียด อุบักอี ก, ออกผีเสื้อสวยเปเปรุตคเอบวปเอบาวมงมุมน่าเลียดพาดอกีากตพอกีกอ้วนและผอมเมเบอล เตเดลอิสลับเต้นผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วนเจน่สูตกิโกรมมอดบสตกิลัอบผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอมมัสสูสแดิบกิโลกรัมมเอสลบม สูบ so 50กิโลกรัมเอสลับแพงและถูกสกับอีฟตินสกับอีฟตินรถราคาแพงออตโมบิลรถสกับออตโมบิลรถสกับหนังสือพิมพ์ราคาถูกเวสเนกอดเอฟติน в е с กี e ้ก็ถ е อถูกต